พระธรรมเทศนาแผ่นที่112ลำดับที่13โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่22พฤษภาคม2560มีชื่อเรื่องว่าพระกรรมฐานกับการสงเคราะห์โลก อ้าวคณะรัตยาิโธมลูกหลานนั่งประจำที่ที่นี่มีอะไรหลงตาพ่อหลงตาจะพูดอะไรให้ฝังลูกหลานฟังนับว่านานนะลูกหลานนะถ้าจะไล่เลี้ยงให้ฟังแล้วก็นู่นแ ต, เตเนน่เดือนมีนาเดือนมีนาหลงพ่อกระติดงานของคุณแม่ชีแก้วอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนา พอเดือนเมษาก็เป็นวันเกิดของหลวงพ่อเองแต่นี่พอเดือนพฤษภาเนี่ยบุตรบิดอีกเหมือนกันนะ อ, อวันเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นวันที่ยี่บเจ็ดอาทิตย์จุดท้ายของเดือนพฤษภานะนี่ยหลวงพ่อจะได้เดินทางไปนอกประเทศอีกท่เนี่ยวันที่ยี่สิบสี่ที่จะถึงเนี่ยอถ้าว่าไม่ได้มาวันนี้แปลว่าขาดจากลูกหลานไปสามเดือน ห่างเหนินจากลูกหลานไปสามเดือนไม่ใช่นั้นนะลูกหลานนะแต่ลงพ่อก็ลงมายกมานกมาแบบโบปประกละกับขึ้นไปมันไม่มีเวลานะแต่คราวนี้ก็จะเดินทางกันเลยหาโอกาสท้าเวลาที่ได้มาฉัานที่โพชนาปากแต่ถึงยังไงก็พอมาถึงที่นี่ก็มองไปเห็นเจ้าของบ้านคุณวันเพ็น ที่มานั่งอยู่กับพวกเราก็จากไปทีละคนสองคนทีละคนมันก็นรู้สึกว่ามันคิดไปแล้วก็จะทำยังไงได้มันเป็นกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดแก่เจ็บตายไม่ทำใจของเราจะไม่รู้จะทำใจใครจะไนต่างคนก็ต่างทำใจของใครของเราหลวงพ่อทำใจหลวงพ่อเหมือนกันนะลูกหลานนะลูกหลานทั้งหลายที่เป็นลูกๆูกห ล, ลานก็ทำใจลูกหลานทำใจของตนเองอีกเหมือนกัน พวกเราที่เป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายเป็นที่รู้จักมักคุ้นก็ทําใจของใครของเราอีกเหมือนกันโอ้คุณหลวงจากไปหมู่พวกเพื่อนของคุณหลวงหมู่พวกเพื่อนของคุณต้นจากไปแล้วก็หมู่พวกเพื่อนของคุณยายที่จากไปใหม่ๆหมัดๆแต่และหมู่แต่และหมู่แต่และเพื่อนนะจะทำยังไงล่ะ นี่แหละอันนี้จ้างทุกขังอนาตาพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านยังบอกสอนว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาทและลูกหลานนะี่ะเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้นะอันนี้ก็คือเราต้องคิดไว้ในใจอยู่เสมอนะอันนี้ตามที่จริงหงพ่อไม่ใช่เอาความตายแลว้วเอาความนมาขู่กันนะเพี้ยนกว่าสะกิดสะกิดข้าง อย่าไปหลงละเลงมากเกินไปเนอะพระนัทธาญาติโยมลูกหลานเ่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้ว่าพูดให้แต่ไปข้างหน้านะหลวงพ่อก็ต้องตาหนึ่งก็ต้องมองจ้องมหาตนเองอีกเหมือนกันนะหลวงพ่ออินอย่าให้ระมัดระวังนะอย่าประมาท น, นะอันนี้ก็คือสอนทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่สอนผู้ใดใครผู้หนึ่งนะอันนี้เป็นการย้ำกล่าวเตือน ซึ่งกันและกันอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้สั่งสมบูรณ์กุศลก็ไว้นะนานทีหลวงพ่อได้ลงมาหลวงพ่อก็เนี่ย เ, เลยถามนาฬิกาดูที่เมื่อกี้เนี่ยนาฬิกาได้เท่าไหร่อะนสามสามโมงกว่าเก้านาฬิกากว่าครับหลวงพ่อเออยังมีเวลานะหลวงพ่อว่าเน่ยยังไม่เที่ยงง่ายกว่านั่นเถอะพวกคูบาทั้งหลายแหละพวกน้องน้องลูกลูกลันดานทั้งหลายแหละ อดทนนะสักหน่อยนะนานทีเหตทั้งสเดือนยังค่อยได้มาพบมาเจอกันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อบางศีลบางอย่างหลวงพ่อก็จะจะพูดให้กับคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาได้รู้ว่าเรื่องราวเป็นยังไงทั้งสมเรือนฮะเพราะนั้นหลวงพ่อเองมาที่ไรหลวงพ่อก็ท้าว่าเกี่ยวข้องกับเจดีของหลวงตานะหลวงตามหาบัวนะหลวงพ่อก็จะมาพูดที่นี่ส่วนนึง แล้วก็ไปพูดที่สวนแสงธรรมอีกส่วนหนึ่งที่สองแห่งที่หลวงพ่อพูดนอกจากนั้นหลวงพ่อจะไม่ได้พูดที่ไหนนะในกรุงเทพนั้นรูกหลานนะเพราะวันวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งละหลวงพ่อจะได้พูดพูดเรื่อง เ, ออเจดีย์วิพิทพานของหลวงตาให้พวกเราได้ฟังแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ยีสบสอวันจันทร์ที่22พฤษภาษคมพุทธศักราช2560นห้ารอหลวงพ่อจะ ขอท้าวความระเรียนให้ศรัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานผู้อยู่ในนี้ก็คงจะเสียสละสร้างพจะัจดีของหลวงตาก็หลายคนอยู่และก็พร้อมที่เตรียมพร้อมที่จะถวายเมื่อเจดีหลวงตาขึ้นขึ้นมาแล้วก็คิดในใจอีกเหมือนกันว่าเราจะสมทบสร้างพระจดีของหลวงตาเป็นเอกเพราะเจดีย หลวงตาเป็นที่รักเคารพของพวกเราอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนไม่ว่าทุกท่านนะนะหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่อกำลังพูด อ, อยู่ในหวัวใจของหลวงพ่ออีกส่วนหนึ่งฮะหลวงพ่อจะต้องได้คิดนะคือเรื่องเจดีย์ตั้งแต่ตอกเสาเข็มมาก็ตอกเสาเข็มจบแล้วนะคณะทถาญาติโยมทั้งหมดพันสต้นแล้วมันตอกมัน เสลี่งไปนะตอไปแล้วมันเอียงไปเนี่ยเขาเลยตอกเพิ่มเติมอีกสี่ต้ น, นรวมแล้วเป็นพ2นสห้าิบห้าต้นจบลงไปแล้วนะแล้วก็มาเมื่อจบแล้วท่นี้เขาก็ดําเนินการต่อแต่ตามไม่จริงเขาคิดไว้หมดอล้ล่ะคิดไว้แล้วการวางแผนวางผังการวางหาผู้รับเหมาะะแล้วก็ราคากลางเท่าไหร่เขาคิดไว้หมดอ่ะ พอเราจ้างบริษัทสโตนเฮนนะในกรุงเทพเราพวกเราไปคงจะได้เห็นบริษัทสะตนเฮนควบคุมการก่อสร้างแต่ว่าคอนเซทลนะภาษาภาษาช่างเขาเขานะแต่ตามที่จริงก็เป็นผู้ควคุมงานควบคุมงานทั้งบริษัททั้งชาวทั้งคณะกรรมาการทั้งวัดปา่าบ้านตาดเห็นว่างานหลวงตาเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ใครจะให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งไปควบคุมงานทั้งวีทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีคงไม่ไหว เราก็เลยจ้างบริษัทชะตนเห็นจากกรุงเทพน่นะที่ว่าบริษัทที่รับผิดชอบใครๆก็ว่าดีบริษัทหนึ่งเราก็เลยเรียกไปประมูลหลายบริษัทแข่งกันเราก็เลือกใด้บริษัทชะตนเห็นเนี่นเป็นผู้ควบคุมงานวาจ้างถึงสิบหกล้านสิล้านห้าแสนนะครับนักทายย่าโยมเลปีนะสามปีใน16บล้านห้าแสนวาจ้าง แต่จ่ายเป็นเดือนๆไปนะจนกว่าจะครบถึงสามสิบหเดือนคือสามปนะีนี่แหละอันนี้เราก็ว่าจ้างเพรที่ทสุดกับตนเห็นนี่แหล ะ, เ, ะเป็นเหมือนกับพวกเราทั้งหลายพวกคณะกรรมการทุกฝ่ า, ายพวกเราเนี่ยเหมือนกับตาบอดเหมืนันเถอะไม่รู้จะทำยังไงแต่บริษัทจะตนเห็นเขาก็ชี้นำชี้แนะ แต่ถึงยังไงก็ตามถึงเขาจะชี้นาชี้แนะขนาดไหนนะถึงเขาจะจูงตาบอดก็จริงแนตะ่บางครั้งตาบอดก็เอาติยงคำํคำๆไปเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะเพื่อทีเดียวก็ไม่ใช่เหมือนกันนะ เ, เราก็ต้องฟังรูอีกเหมือนกันตาดนะีมันจะจูงไปในทางตกเหวตกบ่อหรือไม่นะเพวกเราก็ต้องดูอีกเหมือนกันนะคือสืบสอบของอสืบสอบดูเหมือนกันว่าสะตนเฮ็ น, เนึ่ จะไปเพิงเหงึกเพงงึกหน้ากับผู้รับเหมาหรือเปล่าเนี่ยจะมากินเราหรือเปล่าเนี่ยพวกเราก็ต้องได้คิดออกเหมือนกันนะเพราะนั้นมันมีหลายแนวนจากนั้นพวกเงื่อเสร็จแล้วนะเขาก็เตรียมพร้อมเขาก็ยื่นซองนะลูกหลานนะลื่นยื่นซองเข้ามาเมื่อวันที่สิบหพฤษภานะแต่มันไม่พร้อมวันที่แปดพฤษภามันไม่พร้อมเขาก็เลยขอไปอีก ขอยื่นซองยื่นซองยังไม่ครบทั้ง6บริษัทเลแต่ตามไม่จริง8บริษัทนะไอ้สิบริษัทนะแต่พอยื่นซองจริงๆ6บริษัทมายื่นซองนะแต่ถึงอย่งางไรยื่นซองไม่ครบเราก็ยืดหยุ่นไปอีกมันไปเจองานของหลวงปู่วัดโที่สมพรวันที่16บหกนะเราก็เลยยื่นขอเลื่อนไปอีกเป็นวันที่18พฤษภาณนะ่ะวันนั้นเขาก็เลยไปยื่นซองทั้ง6บริษัท เออสิบแปดพฤษภาแต่ราคาต่างกันนะลูกหลานนะราคาต่างกันมากต่ําสุดก็คือสี่ร้อยเก้าสิบสองล้านสูงสุดคือแปดร้อยล้านนะทีดีของลงตลาดนะมันห่างกันแต่นี้คอพอรับปชั่นเขาก็เปิดนะเปิดซองพอเปิดซองเสร็จแล้วทีนี้เขาก็จะให้บริษัททั้งหกบริษัทนไป ปรับราคาอีกกว่าทําไมคุณคิดอย่างไงเขาจะเรียกเป็นบริษัทบ ร, ริษัทคุยกันอีกนะ <c oughs> วันที่24ที่จะถึงนี่ยนะวันนี้วันที่22่สิบสองาญาณโยมวันที่24่สิเขาจะมาพบกันที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะเรียกกั น, กนว่าปรับฐานปรับฐานในความรู้สึกทั้งหลายนะมาเข้าหากันว่าทําไมคุณอยากคิดแพงทําไมคุณยากคิดถูกคุณคิดถูกคิดผิดถ้าคิดถูกมันถูกไหมแบบคุณจะไม่แจ้งเหรอ ถ้าบ่าคุณคิดแพงทําไมคุณพิจคิดแพงกว่าเขาเนะนี่ยแหละอันนี้ก็คือทางบริษัทเขาจะต้องจะต้องไดตง้ต้องได้ดูนะอทีนี้ก็วันพอเสร็จแล้วนะพอวันที่ยี่สิบสี่ยื่นซองแล้วอปรับฐานแล้วเนะี่ยเขาก็ไปคิดใหม่พอไปคิดใหม่วันที่ยนะี่สิบแปดพที่ยี่สิแปดเขาจะต้องเอาไปยื่นอีกจนะเนี่ย บอ า, าคิดดีแล้วนะทุกบริษัทคิดดีแล้วคณะกรรมการทั้งฝ่ายจังหวัดทั้งผู้ว่าทั้งรองผู้ว่าทั้งโยธาทั้งอธิบดีทั้งลูกศิษย์วัดนะจะไดรวมกันสิบกว่าคนนะเป็นคณะกรรมการก็รับที่เขาบอกปรับฐานดีแล้วเป็นวันที่28่สบแปนะพอวันที่ยี่สิบแยื่นอีกทตนี้คณะกรรมการก็เปิดซองอีกพอเปิดซองเขานี่ก็ลงคะแนนกันแล้วทีนี้ หลงคะแนนกันว่าบริษัทไหนที่เหมาะสมที่สมควรที่จะได้สร้างเจดีย์คณะกรรมการลงคะแนนกันบริษัทไหนได้คะแนนมากกว่า เ, เออไปว่ากรรมการลงมติให้คันให้ให้กับบริษัทนี้บริษัทนี้ได้คะแนนมากกว่าจากนั้นคณะกรรมการกันเรียกเข้ามาเรียกบริษัทนั้นเข้ามาเข้ามาก็มาคุยกันอีกที่นี่ว่า เวลาคุณจะทํางานน่ยคุณเป็นผู้โชคดีแล้วนะคณนะกรรมการทั้งหลายเห็นพ้องต้องเห็นพ้องเป็นบางส่วนนะคะแนนมากกว่าท่านท่านในคะแนนมากกว่าใครอื่นสมควรที่จะสร้างได้รับเกียรติในการจะสร้างพระเจดีย์พระองค์หลวงตาแต่วิธีการที่จะสร้างของคุณน่ยคุณชี้แจงให้ฟังซิคุณมีวิศวกรกี่คนสถาปนิกกี่คนคุณจะคุมงานอย่างไรเนี่ยเขาจะรายงานเข้ามาเลย ชี้แจงาการทํางานของเขาจะทํำยังไงอพอเสร็จแล้วเป็นที่พอใจพอที่พอใจกับวันที่29เก้เซ็นสัญญาพอเซ็นสัญญาเสร็จแล้วก่วันที่วันที่30นะวันที่สวันที่30มสนะิบพฤษภาเป็นวันเปิดโลกธาตุขององค์หลวงตาทุกปีนะกนัชทายญาติโยมอย่าลืมนะไปทําบุญเปิดโลกธาตุที่วัดป่าบ้านตาที่องค์หลวงตาเคยทํามาทุกปี แต่นี้ก็เมื่อวันนั้นละ่ะเขาจะประ ก, กาศแต่นี้บริษัทนี้ได้รับเกียรติที่จะมาสร้างเจดีย์องค์หลงตาของพวกเราเแล้วก็เงินค่าก่อสร้างที่ตกลงกันเป็นเงินเท่านี้นะอคอยฟังนะวันที่สะะนะามสิบธนาคาญาจโจมนี่แหละถ้าว่ามันเงินเงินมันยังขาดอยู่เงินนี่แหละเออ เ, เงินมันขาดนั้นหรือเงินมันน้อยเนี่ยละครนั้นคอยฟังทีเดียวหลวงคอยฟังหลวงพ่อเองจะเป็นผู้สนับสนุนจะบอกกล่าวให้คณะสัตยาญาติโยมเร่รับรู้รับทราบนะเออเงินควรจะระดมอีกหน้าพี่น้องสัตยาญาติโยมลูกหลานเอเราไม่ได้พูดว่าผู้ใดไม่มีศรัทธาเนี่ยเราจะไม่พูดถึงนะเอแปลว่าผู้มีศรัทธาเคารพรักในองค์หลวงตาเท่านั้นล่ะ ถึงจะมากหรือน้อยเราก็ไม่ว่ากันเอาทุ่มเทใส่กันนะลูกหลานนะสร้างเจดีลงตาสร้างเสร็จแล้วไม่ได้สร้างเป็นที่ที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าเราสร้างที่วัดป๋าบานดาศ่างแห่งเดียวเท่านี้ละนะ่ะหลวงพ่อก็จะประกาศอีกคอยค อ, อยฟังนะคณะนะสัทธาญาติโยมนะอันนี้คือเจดีขององค์ลงตาที่หลวงพ่อเรียงลำดับให้ฟังเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวนี้นะแต่เขาเมื่อตีละครั้งแป้งนะครับ ประมาณกลางเดือนมิถุนา เ, นเขาก็จะลงมือสร้างนะสิเนี่ยพอลงมือสร้างเสร็จแล้วก็นับไปเลยสิเนีเป็นเวลาโครงสร้างเลยสองปี24เดือนนะเท่ากับ24เดือนคือสองปีแล้วก็ปรปับปรุงภายในอีกใช้เวลาอีกหนึ่งปีรวมแล้วเป็น36เดือนเจดีพิพิธภัณฑ์ของลงตาเนี่ยเสแล้วเสร็จทุกอย่างฮะอันนี้ก็ขอ พวกแจ้งข่าวแล้วบอกกล่าวให้พวกเราได้รับรู้รับทราบเพราะก่อนที่จะสร้างพระเจดีย์หลวงพ่อก็ให้มายกมือที่นี่แล้วก็ไปยกมือที่สวนแสนธรรมเพราะนั้นพวกเราคงจะจำได้มีการให้การสนับสนุนในการสร้างพระเจดีย์พอมาถึงจุดนี้แล้วนะหลวงพ่อก็เองก็มาชี้แจงบอกกล่าวให้กับพวกเราพระทายาทโยมทั้งหลายได้ยินได้ฟัง เพราะว่าเจดีขององค์ตาไม่ใช่ของเล็กน้อยนะเมื่อสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วนะจะเป็นส ง, ง่าราสีเป็นศักิ์ศรีเป็นเครื่องเทิดทูนเชิดชูบูชาในคุณธรรมขององค์องค์ตาที่เป็นที่รักเคารพในพวกเราที่เป็นสิทธิ์ยานสิทธิ์ลูกหลานทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคอยฟังนะและก็พร้อมกันหลวงพ่อขอบอกกล่าวอีกชวนหนึ่งนะ เมื่อวานในหลวงพ่อลงมาจากนู่นล่ะจากวัดแล้วก็เข้าไปทำทอดผ้าป่าสามัคคีที่อําเภอสังคมติดตกับวัดขอวงพ่อเนี่ยติดฝั่งแม่น้ําโขงเลยล่ะอำเภอสังคมถ้าลูกหลานได้ไปทางนู้นก็คงจะเป็นถ้าไปหินหินหมักเป้งแล้วก็ติดฝั่งโขงหลวงปู่เลียนก็ติดฝั่งโขงนะอําเภอสังคมนี่ก็ติดฝั่งโขงน่ะแต่หลวงพ่อเนี่ยขับเข้ามาในหน่อยประมาณสักยี่สิกว่ากิโลนะเข้ามาห่างจากฝั่งโขงนะ แล้วพ่อก็ไปฉันที่อำเภอสังคมโรงพยาบาลอำเภอสังคมเนะท่านท่านหลวงพ่อเล็กกับหลวงพ่อบุญมีหลวงพ่อจันมนะีสร้างขึ้นมาแล้วมันมีปัญหาเงเงินเงินมันไม่พอใช่นะแต่นี่นสร้างขึ้นมากัตึกห้าชั้นหนะลวงพ่อไปเห็นแล้วเเออเงินมันกำลังหยุดเกือบจะว่าหยุด หลวงพ่อถ้าได้สร้างแนละ้วเหมือนควรจะสร้างไปเอา้าระดมศรัทธาแย่งโฉมทอดผ้าป่านะ่ะเมื่อวานนี่ก็เลยทอดผ้าป่านะ่ะศรัทธายังทางกรุงเทพกับมีอุดร ท, ทั่วไปนะนะั่นน่ะทั้งฝ่ายพระด้วยนะอรวบรวมจะตุกพระัยเมื่อวานนี่ก็รู้สึกว่าอบอุ่นอยู่นะในเงินสิบล้านกว่านะ่เออในเงินสิบล้านกว่าในสิบล้านนะนะั่นน่ะ เพราะเงินจะต้องจำเป็นจะต้องได้ใช้ประมาณ4ี่สิบล้านกขาว่ากนะมันขาดอยู่นะหลวงพ่อเอ้าเอาเท อ, เอาข่าวนี้เป็นครั้งหนึ่งที่พอสร้างเสร็จขึ้นมาแล้วก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใด เ, เป็นโรงพยาบาลรับคนทั่วโลกนะหลวงพอบอกอยังไงนะเอาทำไมจึงว่ารับคนทั่วโลกอ้าวในเมื่อฝรัง่งใช่หมจุ่มุมโลกไหนก็ตามนะที่มาเที่ยวมเมืองไทย มาเที่ยวแถบแถบนั้ น, นแถวสังคมเเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ต้องหามขมอโรงพยาบาลสังคมใช่ไหมโรงพยาบาลสัคต้องรับเป็นด่านแรกก่อ น, นออไม่ได้เลือกว่าชาติไหนภาษาไหนคนทั่วโลกถ้ามาถ้ามาเที่ยวมาไปชมพระไปกราบพระภูก่อนไปกราบพระนอนภูกรอนออไปดูอะไรผาตากเสื้อไปกราบเจดีย์หลวงปู่เหลียนหลวงปู่เทพนะ ถ้าเจ็บไข้ได้ปวยแถบนั้นนะ่ะมันก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนะหลวงพ่อบอกพูดไม่ผิดนะั้นที่โรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลในเมื่อพวกเราพอจะเป็นไปได้ไม่เดือดร้อนนะ่ะเอาช่ว ย, วยกันเนดะ้แต่หลวงพ่อก็เลยบอกดูดูแล้วมันได้เงินเก้าล้านแปดล้านกว่าแปดล้านกว่าหลวงพ่อเลยอหลวงพ่อนี่ยกรหนักนะคณสัตย์ทายาทโยมนะหลวงพ่อประกาศนะเพราะอะไรจึงว่านหนักเพราะว่า เเมื่อวางเิลาเลิกขาวก่อนน่ะทูนกรมองแล้วก็คณะกรรมการผู้ว่าราชการจังหวัดวนาสวรรคการอุดรมาไปที่วัดป่าบัานตาดหลวงพ่อกรมองดูแลเงินสมัยเมื่อวางเิลาเลิกครั้งแรกมีเงินร้อยกว่าล้านแต่หลวงพ่อกระถามถามกระซิบกระซาบถามว่าจะได้ใช้เงินเท่าไหร่ประมาณสามร้อยกว่าล้านครับเอหลวงพ่ อ, อถ้าสามร้อยกว่าล้านเนี่ย จะใครจะเป็นผู้เซ็นสัญญากับบริษัท เ, ออเงินร้อยกว่าล้านใครๆก็มาให้พ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายเซ็นสัญญาทั้งนั้นแหละหลวงพ่อก็เลยมาเห็นจุดนี้ก็เลยทําท่าใจใหญ่ขึ้นมาเออเอา้อ า, ากลุ่มของหลวงพ่ออินเนี่ยวัดปานาคําน้อยเนี่ยกับคณะสิทธิารุสิทธิ์เนี่ยหลวงพ่อจะรับห้าสิบล้านบาทลงพวกเราพวกเราลูกหลานก็คงได้ยินนะหลวงพ่อพูดไปลู้กี่ครั้งแล้วล่ะห้าสิบล้านบาทนะแต่หลวงพ่อก็ได้ ชาระไปแล้วจ่ายไปแล้วโอนเข้ากองทุนไปแล้วนะเ อ, อเข้าออกกองทุนเจดีไปไนดะ้สองล้านนะเ อ, อเดี๋ยวนี้หลวงพ่อจังเป็นหนี้คําพูดอยู่สีนนะ่สิบแปดล้านน่ะห <c oughs> ลกล้านแน้วหลวงพ่อจังใจไม่ใหญ่สตเด็ก็เลยมาเห็นอาเภอสังคมอีกเป็นหนี้สินเยอะอีกแต่เด็กหลวงพ่อเอ อ, เ อ, อ, เ, อเอาเธอหลวงพ่อจะกัดฟันสู้ช่วยอีกหนึ่งล้าน แต่ยังไม่มีเงินนะั้นลูกหลานนะบะอหลวงพ่อแตะโป้งไว้ก่อนดบะหลวงพ่อในี่ใจใหญ่ขนาดนั้นลูกหลานนะแตะโป้งไว้งานเถอะเออว่าจะช่วยเจดีของเจดีวัดอําเภอสังคมนะเอ่อพอเสร็จมาแล้วบะนั่งรถมาเถอะพ่อแตะโป้แล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วบะเนี่ยรวมแล้วก็เป็นสิบล้านกับของหลวงพ่อนี่แล้วบะพอนั่งรถมาหลวงพ่อก็นั่งรถเอ้ยโซเฟอร์ เอาทหารทหารเกิดมาหน่อกั น, กนถ้าหลวงพ่อไปอินโดนีเซียเนี่ยไปวันที่ยี่สิบสี่นะวันที่ยี่สิีเนี่ยหนะลวงพ่อไปประมาณสิบวันไปอินโดนีเซียไปพบกับคณะสัตย์ทายาโดมสิบวันถ้าหลวงพ่อไปตกเครื่องบินตายในทะเลนะสู่เจ้าต้องเอาเงินวัดช่วยเขานะหนึ่งล้านบาทนะ <c oughs> ความตายมันจะเลือกได้ยังไงใช่ไหมลูกหลานนะ่ะ เออหายใจไปเข้าหายใจไม่ออกกระชัยเพราะฉะนั้นหลวงพ่อได้สั่งไว้อีกนะเอาเงินวัดนะออพอหลวงพ่อพูดไปแล้วเนะี่ยพวกลูกหลานที่อยู่เบื้องหลังต้องเอาไปช่วยเขานะถ้าไม่มีกันนะ่ะเอาวัดไปจำนองไว้ก่อนนะช่วยช่วยโรงพยาบาลก่อนนะนี่ยแหละเดี๋ยหลวงพอ่อไปสั่งเสียแล้วน้ำโมาวานเนะนี่ยแหละอันนี้คือนี่แหละเพราะฉะนั้น ล, ลูกหลานทุ ก, ทกคนนะ หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นในฟังไม่ต้องหนักใจแต่ใครจะช่วยมาหลวงพ่อก็ไม่ปฏิเสธนะ <c oughs> <c oughs> แต่ไม่ให้หนักใจเพราะนั้นหลวงพ่อเนี่ยใจใหญ่ถึงขนาดทารุลลาร์เนี่ยแท้โป๊กไว้ก่อนเพราะยังไม่มียังไม่ให้เขาไม่ได้นะแล้วก็พร้อมกันวันที่24เนี่ยวันนี้วันที่22ในชนศสัตยายแย่โจม23าหลวงพ่อจะฉันที่สวนแสนธรรมกับคณะสงฆ์ 24หลวงพ่อจะไปฉันที่สุวรรณภูมิพอฉันเสร็จแต่เช้าหรืออาจจะขึ้นไปฉันบนเครื่องบินก็ไม่ทราบแล้วมันไปแต่เช้านะจากนั้นก็จะไปที่อินโดนีเซียทําไมหลวงพ่อจึงไปที่อินโดนีเซียพอปีที่แล้วนะคะนะักสไตล์ญาติโยมไปเห็นคณะอินโดนีเซียโอ้คงจะเป็นจิตใจคงจะเนี้ยจิตใจเป็นพุทนะแต่เขาสร้างโบรโรพุทโธนะ แต่อย่างเหมือนกับพวกเราเนี่ยแหละ <c oughs> เกิดในเมืองไทยใช่ไหมละ่ะสาธุณนอะกข้าเกิดมาพบในชาติใดก็ขอให้เกิดในพบภพทศศา ส, สนาอยู่ในเมืองไทยนี่แหละให้ได้พบศีลพบธรรมในพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอ่อพอ ล, ลักประเทศตัวเองใช่ไหมละ่ะทีนี้ชาวอินโดนีเซียก็คงจะเป็นอย่างนั้นลูพ่อว่าที่ลูกพ่อไปเห็นน ะ, ะรู้สึกว่าเขาก็ห่วงใยใน เ อ, อประเทศของเขาบวโลกพุดโธของเขาเนี่ยเอ่อที่นี่หลวงพ่อไปเห็นโอ้อย่างลูกหลานเนี่ยหลังไหลเข้ามาอาหารเนี่ยไม่แพ้เนี่ยไม่แพ้อย่างวันนี้น่ะที่อาหารเขามาถวายหลวงพ่อนะ mm hmm. เห็นโอ้น้ําใจของพี่น้องชาววินโด้แต่ไม่รู้ภาษากันนะ mm hmm. เวลาก็เอามาใส่บาตรคนเรียงใส่บาตรอย่างของเราเลยนะใส mm ่ hmm. โอ้วันนั้นเขาจัดที่โร ง, งแรมห้าดาวนะ ที่อินโดนีเซียเนี่ยแต่คราวนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงเพระาะนั้นไปข่าวนี้ไปทดสอบดูว่ะจะยงคงเส้นคงวาไหมเรียกว่าหลวงพ่อไปเทศเขาท่านแต่จงหัวหดไปหมดแล้วก็ไม่ทราบว่างั้นแหละ เ, เรียกว่าพอไปเทศเสร็จอบรมเขาแล้วเขาจะมากขึ้นกว่าเกา่าเลยหลวงพ่ออย่างนี้นไปปีนี้จะไปทดลองอีกไปดูอีกเขาไปที่โรงแรมห้าดาวก็กั้นเชือกเอาฟางเชือกฟางเอามัดใส่เสาโรงแรมเข ให้ญาติโยมอยู่ไฟเด็กพระอยู่ไฟเนึ่ยจำมันมันมากเกินไปนะเออขนาดเขาตั้งโต๊ะเนี่ยตั้งเก้าอีนะ้ให้คนนั่งอนะ่ยพันกว่าพันกว่าเก้าอีนะ้ไม่พอนั่งนนนะมันคนมากขนาดนั้นนะตอนนองพ่อก็ไปวิ่งทบาดกับพระพระกองค์ก็สิบกว่าองค์วันนั้นนะเดินบิ่งทบาดโอ้โหว่าคนใส่บาดนะเนี่ยใส่กระทั่งรองเท้ารองเท้าใส่บาดก็มีเหมอนนเล หลวงพ่อก็ไม่รู้จะว่ายันไงเวอรเขาก็คิดว่าพระใช้อะไรเขาก็จะใส่บาทรอันนั้นเหมือนเดิแต่ก็ไม่ใช่รองเท้าเก่านะเป็นรองเท้าใหม่ๆเป็นรองเท้าใส่ถุงเนี่ยเหมือนเดิมรองเท้าใหม่ๆใส่บาทหลวงพ่อนึกในใจนึกคาจะแต่คาไม่ออกเหมือนเดิเพราะมันไม่ใช่ประเทศเราใช่ไหมล่ะเอเป็นประเทศของเขาแต่จะไปสอนแล้วยัเอารองเท้าใส่บาตมันไม่ได้นี่ย เราก็จะไปพูดยังไงได้ใช่ไหมล่ะมันคนมันเยอะใช่ไหมเอารับรับหูรับตาลับไปเลยทำงานนเถอะพอรับไปแล้วเขาออกไปเราก็ยังนึกคา้มยังมาพูดให้เราให้ลูกให้หลานฟังนี่แหละไปอินโดนีเซียเขาเอารองเท้าใส่ปาดนี่แหละโอ้วันนั้นถ้าจะนัดไปคงจะรถสิบล้อนะอไม่ใช่ธรรมดาฟิกอัพในเวละรถสิบล้อใส่อาหารวันอาทิต โอ้โหคนไสบาดรพอเวลาใขรไสบาตรพอจะใส่บาตขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าหน้าบูดหน้าเบี้ยวนะเยิมย้มแย้มแจ่มใสใคล้ายๆกับว่าโอ้โหเหมือนกับคนรู้จักกันมาก่อนแล้วแตนั้นเน่ยหลวงพ่อก็ไม่รู้จักภาษาเขาเขาไม่รู้จักภาษาหลวงพ่อเหมือนกันเหมือนกันนะแต่ว่าน้ําใจของเขานาะโอ้เออบิ่มเหมือนกันนี่ยเห็นแล้วเออพี่น้องลูกหลานคงจะเป็นศรัทธาญาติโยมเก่าแก่ ที่สร้างบโุรโพุโทโธมามากับมาเกิดพอรักประเทศชาติบ้านเมืองของเขาเหมือนกับเรารักประเทศชาติของเรานั่นแหละ น, ะนี่แหละไปเ่านี้หลบพ่อก็เลยจะไปอีกนะไปดูดูผลงานระหว่างไปไปที่แรกก็ไปขอนมนแสดงธรรมะหลวงพ่อกับพูดภาษาไทยนี่นะให้มีศีลมีธรรมให้มีศีลห้าอยู่พูดยังเนี่หลวงพ่อเขาอธิบายให้ฟังอย่างหลวงพ่อในเทศในเอ็มพีนั่นแหละ ถ้าผู้ติดตามคงจะรู้แต่เขาก็ฟังดีเนะ่ฟังดีมากเลยแล้วจะถวายจะตกประใจเขาเรียกอะไรซองแดงๆอังเป่าเะนี่แหละอันนั้นะเขาก็ถวายหลวงพ่อหลวงพ่อทั้งหมดได้เงินตั้งสี่ร้อยเกือบ5้าร้อยล้านนะทีนี้หลวงพ่อรวยเด้ได้เงินเกือบ5้าร้อยล้านนะแต่เป็นรูปีของอินโด ถ้าถ้าคิตเป็นเงินไทยประมาณพันสี่รออล้านล้านสี่แสนกว่าบาทเออต่ล้านสี่แสนกว่าบาทตอนี้พอหลวงพ่อได้รับมาหลวงพ่อก็เรียกประชุมสงฆ์ที่พระด้วยไปด้วยกันนะออประมาณสักห้าหกเจ็ดเป็นองค์พระผู้ใหญ่เ อ, อ้ยออพวกเรานะมาที่อินโดนีเซียก่อนที่จะมากับชาวอินโดนีเซียเขาตีตั๋วเครื่องบินให้พระ และกัศรัทธา ญ, ญาติโยมผู้มาด้วยนะเออเขาท่านตีตัวเองที่ตามมาตามพวกเรามาออที่ตามเรามาก็ไม่ใช่ผู้ยากจนมีมีผู้มีอจักกินออที่ตามเรามานี่นะออแต่เราก็ไม่ได้ เ, ออเสียอะไรมีแต่เราเสียเวลาแล้วก็มาแสดงธรรมมาโปรดออแนะ น, นาสอนพี่น้องประชาชนชาวอินโดนีเซีย เ, ออเพราะนั้นจะตุ ป, ปัจจัยที่ได้มานี่นะ ผมเห็นว่าน่าจะแบ่งให้มูลนิธิของเขาบ้างดูแลเด็กยากจนบ้างคือมีโรงเรียนมีพระในวัดพระอิฐเมืองไทยของเรานะ่ไปสร้างโรงเรียนในละลูกหลานนะสัทธาญาจโจมนะนักเรียนเกือบเป็นพันธุยนะแต่ใ น, นก่อนที่เขาจะมาเรียนหนังสือเขาจะต้องไหว้พระสักคนนะอารหังซัมมาสัมพุทธโธนี่ยที่จะเป็นศาสนาอิสลามกาเดินนะถ้าอยากจะมาเรียนที่นี่ ก็ต้องไหวพระสะก่อน ะ, เ, อะเหมือนกับพวกเราไปเรียนในโรงเรียนคลิปอย่างนั้นนะอ่ะต้องมาก็เวลาจะเข้าโรงเรียนก็แตะซ้ายแตะขวาอย่างที่วานนะแตะอกแตะหน้านะเลยเหมือนกับเรานะ่ยอันนี้ก็เหมือนกันเลยแต่นี้เราก็เออปัจจัยที่เราได้มานะี่ยควรจะสงเคราะห์ให้กับโรงเรียนแล้วก็แล้วก็วัดที่สอน สี่สอนเด็กนักเรียนสอนนักเรียนก็มีนะ เ, เข้ามาบวชแม่ชีแล้วก็มาบวชท่านก็สอนเมื่อจบแล้วนะพวกนี้แนหะเป็นครูสอนพุทธศาสนาอีกหลวงพ่อก็ไปเห็นนะก็เออลูกหลานเรานี้คงจะเป็นประโยชน์หนะลวงพ่อเออเอาแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งซ้ายแบ่งขวาแบ่งหน้าแบ่งแบ่งหลังนะ เ, เงินล้านสีนะ่มดเกียงในะลูกหลานนะหลวงพ่อบอกว่าเอย พวกเราไม่ต้องออกกลับไปเมืองไทยนะเงินนี่เป็นเงินของพี่น้องชาววินโดเราก็ควรจะสงเคราะห์พี่น้องชาวอินโดได้ละถ้าเราเออกกลับไปเมืองไทยเนะี่ยเสียศักดิ์ศรีเมืองไทยเพราะอะไรเพราะพระไปกอบไปโวยเอาเงินเขามาใช่ไหมละ่ะเพราะนั้นพวกเราเนะี่ยไม่ไม่ต้องเสียศักดิ์ศรีแต่ถึงยังไงก็เถอะเราก็ต้องยอมเสียเปรียบนะเพราะเรามาที่นี่กันนะั้น มออบรมแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวมีอะไรเราก็เนี่ยทุกอยากลำบากพอสมควรแต่เราไม่ได้คิดเป็นทางด้านวัตถุนะเราคิดเป็นด้านทางนมามธรรมดีกว่าหนะลงตามหาบัวสอนพวกเรานะสอนหลวงพ่อนะท่านบอกว่าการเสียเปรียบคนนั่นแหละคือเมตตานะให้ฟังเอาไว้นะลูกหลานนะ ถ้าเราไปที่ไหนเอาเปรียบคนเอาเปรียบคนไปว่าขาดเมตตานะหลวงตาว่านะถ้าเราไปที่ไหนเราเสียเปรียบเขาเอไปได้อะไรมาเอาแบ่งปันแบ่งสันปันส่วนเสียสระให้คู่คนนั่แหละทันว่าการเสียเปรียบคนนั่นแหละคือเมตตาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อไปหลวงพ่อคนนั้นเสียสละไปว่ายอมเสียเปรียบงานน่ะนั่นแหละ มันก็เป็นเมตตาส่วนหนึ่งคือการอนุเคราะห์น้ำใจซึ่งกันและกันผู้ที่ได้รับไปเราก็เออเอาดีถ้าหลวงพ่อไปที่ไหนเก็บหอมรอมลิบมาเทศน์ที่ไหนทำอะไรที่ไหนได้มันกลับมาเมืองไทยเพยเผยชาวพี่น้องอินโดนีเซียถึงเขาจะพูดภาษาไทยไม่ได้ใช่ไหมเขาก็คงจะบน่นหลวงพ่ออินมาขี่โลกมา เอาเงินของประเทศเราไปเห็นไหมเขาจะว่าอย่างนั้นอีกใช่ไหมล่ะเ อ, อนี่ยแหละหลวงพ่อก็ต้องเลยคิดอีกเหมือนกันนะหลวงพ่อจะโอ้ยไม่เอาม า, อามอบให้เขาทั้งหมดนี่แหละออพอไปที่ไดเขาก็อื้อดีเนี่ยออพออะไรพาอว่า เ, ออเรามีน้ำใจเขาก็มีน้ำใจแต่ไปคราวนี้นะหลวงพ่อจะเดินทางวันที่ยี่สิสี่นะคณะทา ญ, ญาิโยมลูกหลานนะ คงจะกลับมาก็เป็นวันที่สกลับมาวันที่สแต่พอกลับมาหลวงพ่อึงบินลงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วจะบินขึ้นขอนแก่นเลยเจจะไม่ได้ค้างที่กรุงเทพทำไมเพราะวันที่24วันที่สนะวันที่วันที่สเขาจัดหลวงพ่อไปไประชุมที่ขอนแกน่นจัดงานนี่แหละหาทุนให้กับ มูลนิธิขออภิบาลสงหลวงปู่มั่นภูริทัตโตดูแลพระสงฆ์อาพาธนะจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีถ้าผู้ใดสนใจก็จะช่วยดูแลพระสงฆ์อาพาธนะโรงพยาบาลศรีนครินโอนไปได้เหมือนกันนะเพราะพระสงฆ์ตึกสงฆ์อาพาธครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงต า, าทางอีสา น, นโดยมากเลยนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกันเน็ มาพักอยู่ที่โรงพยาบาลตึกสงอ า, าพาตเนี่ยนะตึกชั้นสิบนะตึกสมเด็จญาตชั้นสิบเป็นห้องพักดูแลพระสงฆ์นี่นะเมื่อเกีฑ์หนึ่งหลวงพ่อสามที่นั่งอยู่ติดๆหลวงพ่อเนี่ยนะท่านก็เหมือนกับไว้กดไลย้อนนะ่ะนแน่นหน้าอกนะก็ไปหาหมอเนะี่ยหมอก็ถวายยาท่านมาท่านมาเออดีหายแล้วกันนี่แหละสำหรับหลวงพ่อเองแตเนี่ ทั้งดูเป็นประธานหมูลนิธิในเทศด้วยทั้ง ซ, ซื้อเครื่องมือแพทย์ด้วย เ, เดี๋ยวนี้กําลังซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลศูนย์ศูนย์ขอนแก่นอีกเลยเถ้าพูดมันก็จะพูดยาวเนะลยเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยเขาประวัติโรงพยาบาลศูนย์ขอนแกนน่นโรคตาบหวานขึ้นตามืนตาบอดตามืดตามองไม่เห็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษหลวงพ่อแต่เครื่องมือตัวนี้ละเก่าแล้ว ผมพวกผมขอเครื่องมือกับหลวงพ่อด้วยเทินเราก็อพอกลับไปถึงวัดกันเองเเอคำดูกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวากระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังดูกั น, น่ะเอน่าจะไหวนวะวัเอเท่าไหร่เลยเครื่องหนึ่เครื่องหนึสามล้านเครื่องหนึ่งสามล้า น, นะ เ, อ น, านเออแต่หลวงพ่อก็ให้พระในวัดเอะติดต่อด้วยสิติดต่อตรงเลยวะอตรงไทยบริษัทที่เขามาขายเนะะี่ะติดต่อเขาว่า สามล้านครับลดได้ไหมลดเอาสองล้านแปดใช่ไหมโอ้ยสองล้านห้าก็พอละมั่งต่อรองสองล้านห้าเขาโอ้ยสองล้านห้าไม่ไหวแล้วครับขอสองล้านหกสาขาวางเนเราก็เลยตกลงสองล้านหกนะแล้วก็สั่งมาตั้งแต่เดือนมกรานะแต่นี้เดือนกุมภาพนะันธ์ เดี๋ยวนี้ขาก็เอามานี่ยแหละเครื่องมือเอามาเอามาใช้ที่คอนแก่น่ะเราก็บอกออกมาประมาณชั่กลางเดือนพฤษภาเนี่ยเอามาใช้แหะเราบอกเอามาใช้ก่อนนะให้มันให้แพทย์เอามาใช้ก่อนให้คุ้นต่อต่อมือซะก่อนว่าใช้ได้ดีไม่มีปัญหาเสร็จแล้วยังค่อยยังค่อยเอาเอกสารมาไม่ต้องย้ายเครื่องมือมาล็อกเอาไว้ที่นั่นแหละใช้ไปเลยไม่ต้องยกเครื่องมือมาเราบอกใคร ถ้าเราตั้งแล้วยกยากเราหลวลงพ่อมันติดกับพื้นเลยเขาว่าติดแน่นแน่นเลยเขาวไม่ต้องเอามาเอาแต่เอกสารมาอาแล้วก็ผู้ขายมาและคณ ะ, ะอาจารย์มาเอาเอกสารมาอหลวงพ่อก็จะโปนปัจจัยให้เขาเนี่ยแหละหลวงพ่อขึ้นไปนี่นะไปไปทอดผ้าป่าให้สีนักรียนยังไอแล้วนะกลับไปถึงวัดจะต้องจ่ายเงินจุดนี้อีกเนี่อ สองล้านแสนนั่นนี่น่ะอันนี้คือเงินเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลศูนย์อุดอรนะไม่ใช่ไม่ใช่สีนครีนนั้นลูกหลานนะเป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลประจําจังหวัดเป็นโรงพยาบาลศูนย์น่ะนี่แหละอันนี้พูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังให้ลูกหลานได้ฟังก็เพียงให้ลูกหลานได้รับรู้รับทราบว่าพระพุทธศาสนาอย่างพระป่าพระดวงอย่างหลวงพ่อเนี่ยได้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ โรงพยาบาลสาธารณประโยชน์อย่างไรนะถ้าหลวงพ่อจะอธิบายมากกว่านี้ลูกหลานทั้งหลายคงจะหิวข้าวมากวันนี้หลวงพ่อเอาตัวนี้ก่อนวันนี้นะรับฟอนนสเตนี้นะ